พระพุทธเจ้าที่มาตัดสโรและมาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเรานี้ไม่ได้ไม่ได้มีเพียงพระองค์เดียวมีมีจำนวนมากมายแต่จะมาปรากฏขึ้นมาครั้งละหนึ่ง พระองค์เท่านั้นเช่นพระพุทธเจ้าที่พวกเรารู้จักที่เป็นพระราโชรสเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะที่หลังจากได้ออกบวชก็ได้เป็นพระสมมะโคดมและหลังจากที่ได้ตัดสรุ ก็ได้เป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านำเอาพระธรรมคำสอนนำเอาพระธรรมที่พระองค์ได้ทรงตัดสรุมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกมีอยูม่มีพระพุทธเจ้าเหล่านี้มาปรากฏอยู่เรื่อยๆแต่ระยะช่วงที่จะมาปรากฏ แต่ละพระองค์นั้นทิ้งช่วงเป็นเวลาอันยาวนานเป็นหลายกับหลายกันด้วยกันก็เหมือนกับหลายล้านล้านปีถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏมาตัสรู้มาเผยแผ่ทาให้แกสัตว์โลกสักหนึ่งครั้งแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้ จะเป็นคําสอนเหมือนกันหมดเป็นคําสอนอันเดียวกันอย่างเดียวกันเพราะพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ทรงตัดสรุนั้นเป็นพระธรรมอันเดียวกันก็คือทรงตัดสรุปพระอริยสัจสคือทุกข์สมุทยัยนิโรธมากแล้ว พระ อ, องค์ก็จะเอาความรู้ในพระอริยศาสตร์สี่นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกเพื่อให้สัตว์โลกจะได้รู้ว่าความทุกข์ของสัตว์โลกนั้นเกิดจากอะไรและการที่จะทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกทั้งหลายนั้นดับไปได้ด้วยอะไร มีอยู่ในพระอาริยสัจสี่นี้ทรงสแสดงว่าความทุกข์คือความไม่สบายใจความเดือดร้อนใจของสัตว์โลกนั้นเกิดจากสมุทัยสมุทัยคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาและนิโรธคือการทำให้ความทุกข์นั้นดับไปความ ความดับของความทุกข์นั้นจะดับได้ด้วยอะไรก็ต้องดับด้วยมรรคมรรคก็คือทางสู่การดับทุกข์ที่ทรงแสดงไว้หลายลักษณะด้วยกันลักษณะเต็มรูปแบบก็คือมรรคที่มีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ สัมมาสังกัปโปความดําริชอบสัมมากรรมโตการกระทําชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมาอาชิวอาชีพชอบสัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกรู้ชอบและสัมมาสมาธิ ความตั้งมั่นของจิตชอบนี่คือมรรคที่จะเป็นทางพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากกองทุกข์ทั้งหลายให้ทำลายความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปพอาะมรรคนี้จะเป็นผู้ที่จะไปละสมุ ท, ทยัยต้นเหตุของความทุกข์นั่นเอง ถ้าไม่มีมากนี้เราจะไม่สามารถละกามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาได้ออกามาตัญหาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลถะภภาะวะตัญหาก็คือความอยากมีอยากเป็น อ, อ, อยากมีในสิ่งที่เราไม่มีอยากเป็นในสิ่งที่เราไม่เป็นออและวิภาวะตัญหา ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่มีในสิ่งที่เรามีอยากไม่เป็นในสิ่งที่เราเป็นจึงทาให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้ามีมรรคคือมีสัมมาทิฏฐิจนไปถึงสัมมาส ม, มาธิก็จะมีความสามารถที่จะละกามตัญหาความอยากในรูปเสียงกิรลดพทธะได้ สามารถละความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้สามารถละความอยากมีอยากเป็นได้นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะสอนเหมือนกันหมดสอนให้ทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสอนให้ละอกุศลทั้งหลายให้หมดไปละบาปทั้งปวง สอนให้ชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์โดยการเจริญมรรคที่มีองค์แปดนี้มรรคที่มีองค์แปดในที่พระองค์ทรงแสดงครั้งแรกนี้ได้ทรงแสดงให้แก่บรรดานักบวชคือพระปัญจวคีเป็นนักบวชพระองค์เลยไม่ได้แสดงบางส่วน พอพระองค์มาทรงแสดงให้แก่ศรัทธาญาติโยมผู้ครองเรือนพระองค์ก็เพิ่มมรรคขึ้นอีกข้อหนึ่งคือการทำทานแล้วก็รวมสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิโรเข้าเป็นในองค์ของศีลสอนให้ทำทานสอนให้รักษาศีล แล้วก็สอนให้ภาวนาภาวนาก็คือสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิแล้วก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปคือภาวนานี้จะมีการเจริญส ม, มาธิและเจริญปัญญานั่นเอง การเจริญสมาธิก็ต้องมีสัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติและสัมมาสมาธิส่วนการจะเจริญปัญญาก็ต้องใช้สัมมาสติสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปก็คือความดําริชอบหรือความคิดชอบ รวมกันก็เรียกว่าปัญญาหือบางทีถ้าทรงแสดงกับพระนักบวชก็ทรงแสดงสามคือศีลสมาธิปัญญาก็เป็นมรรคที่มีองค์แปดเหมือนกันศีลก็คือสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิโวสมาธิก็คือสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิ ปัญญาก็คือสัมมาทิฐิสัมมาสังกโปะนี่คือมรรคในรูปแบบต่างๆที่ได้ทรงแสดงให้แก่สัตว์โลกแล้วแต่กรณีว่าเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนถ้าเป็นนักบวชไม่มีเงินทองก็ไม่ต้องก็ไม่ทรงแสดงเรื่องทำทาน ถ้าเป็นขาราชารผู้ครองเรือนก็ส่งสอนให้ทาทานเพราะนักบวชนี้เป็นเหมือนเรือที่ได้ถอนสมอเรือแล้วเรือที่ถอนสมอเรือก็พร้อมที่จะแล่นไปได้แต่ถ้าเรือยังไม่ได้ถอนสมอเรือก็ไม่สามารถแล่นไปไหนมาไหนได้ออก็ต้องถอนสมอเรือ สมอของจิตใจที่ยังติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายก็คือทรัพสมบัติเข้าของเงินทองนั่นเองฉะนั้นจึงสอนให้ผู้ที่ยังมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองให้สละให้บริจาคให้ทาทานทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดเพื่อจะได้ไม่ต้องมา คอยหาคอยใช้อยู่เรื่อยๆถ้ายัางต้องใช้เงินก็ต้องหาเงินเมื่อต้องหาเงินก็จะต้องไม่มีเวลาที่จะมาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานั่นเองก็เลยมีความจำเป็นเวลาที่สงสอนผู้ครองเรือนผู้มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองให้สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไป เหมือนกับการถอนสมอเรือถ้าไม่ถอนสมอเรือเรือก็ไม่พร้อมที่จะออกเดินทางไปไหนมาไหนได้เรือจะไปไหนมาไหนได้ก็ต้องถอนสมอก่อนจิตใจที่จะหลุดออกจากวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จาเป็นที่จะต้องถอนสมอเรือก่อนถอนสมอเรือของจิตใจก็คือ ทำทานสาระทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆแล้วก็ออกไปบวชอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญกันพระพุทธเจ้าก็ทรงถอนสมอเรือในคืนที่พระองค์ได้ทรงทราบข่าวว่าพระลพระมเหสีได้ได้คลอดพระราชโอรส ก็ทรงตั้งชื่อพระอรพระราชโอรสว่าลาหุนแปลว่าบ่วงอพอได้ยินข่าวว่าพัทยาได้ทอดลูกออกมาท่านก็เลยอุทานออกมาว่าบ่วงบ่วงนี้ภาษาบาลีเรียกว่าลาหุน เ, เขาก็เลยเอาคำพูดที่พระองค์ทรงอุทานนี้ไปตั้งเป็นชื่อลูกของพระองค์ ตั้งชื่อว่าพระราหุลคืนนั้นพระองค์ก็เลยตัดสินพระไทยจะต้องสละราชสมบัติสละพระมเหสีสละพระราชโอรสเพราะเป็นเหมือนสมอที่จะดึงจิตใจไม่ให้ลุดเล็ดลอดออกจากวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พระองค์เลยต้องตัดสินพระไทยในคืนนั้น ทอนสมอเรือในคืนนั้นเลยออกเดินทางจากพระราชวังมีนายชนะแล้วก็มีม้าเป็นพาหนะไปพอพ้นเขตเมืองก็ให้ในายั น, นะนำเอาม้ากลับพระองค์ก็ทรงเดินต่อไปขณะนะที่เดินไปก็พบกับขอทานขอทานเห็นเครื่องนุ่งห่มของพระองค์สวยงาม ก็อยากได้ก็คอยก็เลยขอแลกเปลี่ยนพระองค์ก็ยินดีที่จะแลกเอาอเครื่องนุ่งห่มของพระราชาของพระราชาโอรสแล้วเอาเครื่องนุ่งห่มขอขอทานมาใส่แทนนี่เป็นการทําทานครั้งสุดท้ายชิ้นสุดท้ายคือเสื้อผ้าของพระองค์แล้วก็ใส่เสื้อผ้าของขอทาน แล้วก็ไปอยู่แบบขอทา น, ไ ป, นไปบำเพ็ญไปเบตจบาตเป็นการเลี้ยงชีพไปอยู่ตามโคนไม้ตามเงื่อมผาตามถ้ำตามเรือนร้างตามป่าช้าเพราะเป็นที่สงบสงัดวิเวกเหมาะต่อการจเจริญมรรคคือศีลสมาธิปัญญานั่นเอง ต้องบำเพ็ญด้วยการนักษาศีลการการกระทาทางกายทางวาจาและอาชีพให้เป็นการกระสัดแสดงที่สะอาดบริสุทธิ์คือไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นมีศีลบริรสุทธิ์มีอาชีพที่บริสุทธิ์คืออาชีพบินทบาทการอาชีพของนักบวชก็คืออาชีพการบินทบาท หาอาหารมาได้ด้วยการเดินบิณฑบาตแล้วก็ไปบาเพ็ญสมาธิและปัญญาโดยการศึกษาจากผู้ที่รู้จักวิธีทำสมาธิก็ได้สำเร็จขั้นสมาธิแต่พอจะไปศึกษาขั้นปัญญาไม่มีอาจารย์ผู้ใดรู้ ไม่มีใครรู้ปัญญาที่จะทำให้จิตใจดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้มีแต่ขั้นสมาธิมีแต่ผู้ที่รู้ขั้นสมาธิรู้วิธีที่จะทำใจทาให้ความทุกข์ดับไปได้ในขณะที่เข้าไปในสมาธิเวลาใจสงบความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็หายไปหมด แต่พอออกจากสมาธิมาความทุกข์ต่างๆก็หวนกลับคืนขึ้นมาใหม่ไม่มีใครรู้สาเหตุของความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากอะไรไม่มีใครรู้สาเหตุที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆที่ยังมีอยู่ในใจนี้ให้หมดไปได้อย่างไรโดยไม่ได้เข้าไปในสมาธิ เมื่อไม่มีใครรู้พระองค์แล้วก็เลยต้องไปศึกษาด้วยพระองค์เองค้นคว้าด้วยพระองค์เองลองผิดลองถูกด้วยพระองค์เองจนในที่สุดก็สรงค้นพบพระอริยสัจสี่พระอริยสัจสี่คือหัวใจของปัญญาปัญญาก็คืออริยสัจสี่ส่งเห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากตัณหาความอยาก ทั้งสามประการคือกรารวาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นในสิ่งที่ไม่มีในสิ่งที่ไม่เป็นและวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีในสิ่งที่มีความอยากไม่เป็นในสิ่งที่เป็นก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าจะดับความทุกข์ใจ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 ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเนี่ยพระองค์ทรงค้นพบความจริงอันนี้ความจริงว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆมันหมดไปความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาถ้าไม่อยากจะให้มีความทุกข์เกิดขึ้นมาก็อย่าไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆ อย่าไปอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลิตัณฑ์อย่าไปอยากมีอยากเป็นอย่าไปอยากไม่มีอยากไม่เป็นพอเรารู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากแล้วก็ความอยากจะดับไปได้ก็ด้วยปัญญาว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไร แล้วก็อยากไปอยากไม่มีอะไรถ้ามีอะไรก็ให้มันมีไปถ้าไม่มีก็อยากไปอยากให้มีมันแล้วรับรองได้ว่าใจจะไม่ทุกข์ใจจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี้ก็คือการตัดสร้ของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์เหมือนกันตัดสร้ความรู้อย่างเดียวกันตัดสร้อริยสัจ ส, สีเหมือนกัน ทีนี้หลังจากตัดสรูวแล้วนี่ก็มีสองทางเลือกให้แก่พระพุทธเจ้าเอว่าจะสั่งสอนเผยแผ่ทำให้แก่ผู้อื่นหรือไม่สั่งสอนเอเพราะไม่มีไม่มีอะไรมาบังคับว่าจะต้องสั่งสอนเอไม่สั่งสอนก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนสั่งสอนก็ไม่ได้อะไรสําหรับผู้สั่งสอนเอง พราะว่าผู้สั่งสอนผู้ที่บรรลุผู้ตัดสัุ้เป็นพระพุทธเจ้านี้ได้รางวัลที่ตนเองต้องการแล้วคือบร ม, มีสุขนิบานังปรามังสุขขังได้หลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจะไปสอนหรือไม่สอนก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรางวัลที่ได้มาไม่ได้เพิ่มไม่ได้รางวัลเพิ่มถ้าไปสั่งสอน ถ้าไม่ได้สั่งสอนก็จะไม่ได้ถูดถูกตัดรางวัลออกไปให้น้อยลงไปรางวัลที่ได้จากการบำเพ็ญศีล ส, สมาธิปัญญาก็เท่าเดิมคือได้นิบบานังปาลมังสุขขังได้พานิพานที่เป็นบรมาสุขเป็นความสุขอย่างยิ่งจะไปเผยแผ่สั่งสอนก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเติม เหมือนก้วน้ำที่เต็มแก้วแล้วจะไปเทน้ำเข้าไปอีกถ้ามากน้อยเพียงไรก็ได้น้ำปริมาณเดิมเพราะน้ำมันก็จะไหลทิ้งออกไปไหลล้นออกไปก็จะได้น้ำเต็มแก้วเหมือนเดิมไม่ไปสั่งสอนใครมันก็ยังน้ำก็ยังเต็มแก้วเหมือนเดิมตอนต้นพระองค์ก็ทรงมีความท้อพระทยัย ไม่อยากจะสั่งสอนเนื่องจากทรงเห็นว่าการจะเข้าถึงพระนิพพานได้นี้ไม่ได้เป็นของที่ง่ายดายเป็นของที่ทวนกระแสะความรู้สึกนึก ค, คิดของสัตว์โลกทั้งหลายสัตว์โลกนั้นมีแต่อยากจะได้เงินไม่มีใครอยากจะเสียเงินสัตว์โลกนี้อยากจะทำบาปชอบทำบาป ไม่อยากจะรักษาศีลกันสัตว์โลกไม่ชอบทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบชอบให้ใจคิดชอบให้ใจอยากสัตว์โลกไม่เห็นความจริงว่าสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ที่หากันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเมื่อท่งเห็นความรู้สึกนึกคิดของสัรโลกแล้วก็ส่งท้อพระทยัย สอนไปก็กลัวว่าเขาจะไม่ฟังไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามสอนไปก็เหนื่อยไปเปล่าๆในเบื้องต้นก็เลยไม่มีความขขนขวายที่อยากจะเผยแผ่สั่งสอนธรรมะแก่ใครแต่มีเท่ามหาพรหมได้ท่งเข้ามากราบขอความเมตตาจากพระพุทธเจ้า ขออารนาให้โปรดสงสารสัตว์โลกที่ยังติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดถ้าพระองค์ไม่ทรงมาเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่สัตว์โลกสัตว์โลกจะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยแต่ถ้าพระองค์ทรงมานำมาเผยแผ่สั่งสอนย่อมมีสัตว์โลก บางคนที่จะสามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระ อ, องค์ได้สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ <Yeah. S 1> เมื่อพระมหาพรมมาแสดงความาความปาถนาและแสดงเหตุผลว่ามีบุคคลที่สามารถที่จะรับคำสอนของพระ อ, องค์ได้ <Yeah. S 1> พระ อ, องค์ก็เลยทรงไปพิจารณาแยกแยะดู คนว่ามีกี่ประเภทด้วยกันสัตว์โลกมีกี่ประเภทก็ทรงแยกได้สี่ประเภทด้วยกันมีสามประเภทที่ถือว่ายังอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสที่จะเชื่อที่จะฟังที่จะปฏิบัติตามได้และก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ ไม่มีวันเชื่อไม่มีวันที่จะปฏิบัติตามได้ก็ทรงแยกเป็นบัวสี่เหล่าด้วยกันบัวเหล่าแรกนี้เป็นบัวที่เหนือน้ำแล้วรอให้พระอาทิตย์ขึ้นมาบัวก็จะบานขึ้นเต็มบานขึ้นทันทีนี่เป็นประเภทที่หนึ่งบัวประเภทที่หนึ่งบัวประเภทที่สองก็บัวปริ่มน้ำ บัวที่กำลังจะโผล่เหนือน้าขึ้นมารออีกวันสองวันก็จะโผล่เหนือน้าแล้วพอได้แสงพระอาทิตย์ก็จะบานขึ้นมาต่อไปแล้วก็บัวชนิดที่สามบัวกลางน้ำบัวที่จะต้องใช้เวลาหลายวันหน่อยถึงจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้าและบานได้แต่บัวทั้งสามชนิดนี้เป็นบัวที่มีโอกาสที่จะ จะลานเติบตโตโผล่ขึ้นมาเหนือน้าและบานได้ส่วนบัวชนิดที่สี่นี้เป็นบัวที่อยู่ยังอยู่กับโคลนกับตมอยู่ซึ่งจาไม่มีไม่ค่อยมีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้าได้เพราะจะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปก่อน <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาแยกแยก สัตว์โลกไว้เป็นสี่จำพวกพรองค์ก็เลยทรงมีความพอพระไทยที่จะโปรดสัตว์โลกที่จะเผยแผ่สัตว์โลกที่จะเอาคำสอนอันที่พระองค์ได้ทรงตัดสโลนี้มาสั่งมาสอนเพื่อให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ได้ไปถึงพระนิพพานเหมือนกับที่พระองค์ได้ไปสรงได้ทรงไปถึงแล้ว mm hmm. พระองค์ก็เลยสรงมุ่งไปหาพวกบัวที่อยู่เหนือ น, น้บัวที่รอแสงสว่างแห่งธรรม mm hmm. คือผู้ที่มีศีล้นบริสุทธิ์แล้ว mm hmm. ผู้ที่มีสมาธิเต็มที่แล้ว mm hmm. ผู้ที่มีฌานมีรูปฌปานอารูปฌานแล้วบ mm hmm. ุคคลเหล่านี้ก็คือใคร กลุ่มแรกที่พระ อ, องค์ทรงอนึกถึงก็คือพระปัญจกวัคขีพระสหายหรือพระสาวกที่เคยติดตามรับใช้พระ อ, องค์มาแต่ต้องแยกทางกันพระทรงเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าพระ อ, องค์ทรงอทรงหยุดความเพียรแล้วก็เลยเสื่อมศรัทธาพอแยกทางกันพระ อ, องค์ก็เลย อยู่ตามลำพังก็เลยมีโอกาสที่จะบําเพ็ญได้อย่างเต็มที่จนได้ตัดสรตว์รูพอตัดสรู้แล้วก็นึกถึงพระปัญจะวคีว่าเป็นบุคคลที่พร้อมที่จะรับกับพระธรรมที่ทรงได้ตัดสรู้เป็นเหมือนบัวที่อยู่เหนือน้มแล้วพร้อมที่จะรับแสงอาทิตย์ที่จะทำให้บัวนั้นบานขึ้นมา ใจของพระปัญจวัคคีย์มีศีลมีสมาธิเต็มร้อยแล้วอรอเพียงแสงสว่างแห่งปัญญาที่ไม่มีใครมีนอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวถ้าพระองค์ทรงแสดงแสงสว่างแห่งปัญญาให้กับพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแล้วพระองค์ก็มีความเชื่อมั่นว่าเขาจะได้บรรลุอย่างแน่นอนะ ก็เลยมุ่งไปหาพระปัญจวัคคีย์แล้วก็ไปแสดงพระอริยสัจสีแสดงมรรคแให้แก่พระอริยสัจสี่ให้แก่พระปัญจวัคคีย์ฟังพอหลังจากที่ทรงแสดงรรสทำเสร็จหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ก็มีดวงตาเห็นธรรมต า, าเป็นดอกบัวก็เริ่มบานออกม า, าแต่ยังไม่บานเต็มที่เริ่มบาน คือได้ได้บรรลุถึงพร ะ, ะพระธรรมขั้นที่หนึ่งมรรผลนิพพานขั้นที่หนึ่งก็ขั้นพระสโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมเห็นตายรักเห็นว่าสิ่งใดมกีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเห็นอ น, นิจจังเห็น น, นันอนิจจังก็เห็นทุกข์ว่าความทุกข์ก็เกิดจาก ความอยากให้สิ่งที่มีอยู่นั้นเป็นนิจจังไม่ให้เป็นอนิจจังคืออยากให้สิ่งที่มีอยู่นั้นให้มีอยู่ไปเรื่อยๆแต่มันเป็นไปไม่ได้เช่นร่างกายพอเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามถ้าอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา เพราะห้ามมันไม่ได้ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรานั่นเองเมื่อสองเมือ่อได้เห็นก็ได้บรรลุ ธ, ธรรมทัานที่หนึ่งละสักกายทิฐิได้ละความเห็นที่ว่าร่างกายเที่ยงอละความเห็นที่ว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเห็นอริยสัจสี่ที่เกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเห็นมรรคเห็นความจริงก็เลยละ สมุทัยได้ความทุกข์ภายในใจก็เลยหายไปนี่คือการแสดงธรรมขั้นแรกของพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้กับพวกบัวเหล่าที่หนึ่งพวกนักบวชพวกที่มีศีลมีสมาธิเต็มรอยแล้วหลังจากนั้นก็ทรงแสดงธรรมอีกสองสามครั้งพระปัญจวคีทั้งห้าก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต ได้บรรลุถึงพระนิพพานเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ท่งบรรลุถึงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต่อมาพระองค์ก็ทรงไปโปรดพวกนักบวชทั้งหลายตามสำนักต่างๆที่มีศีลมีสมาธิกันเต็มร้อยพอทรงแสดงปัญญาก็บรรลุกันทั้งทั้งสำนักเลยมีครั้งหนึ่งทรงแสดงให้กับนักบวชห้าร้อลูก หลังจากที่ทรงแสดงเสร็จนักบวชทั้งห้าร้อรูปก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาเลยเพราะพวกนี้เขาเป็นบัวเหนือน้ํำเขาพร้อมที่จะรับแสงแดดแสงสว่างของพระอาทิตย์แสงสว่างแห่งธรรมนพอจิตใจที่เป็นเหมือนบัวที่อยู่เนือน้ําได้รับแสงสว่างแห่งธรรมจิตใจก็บรรลุถึงพระนิพานบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เลยเพียง ในระยะเจ็ดเดือนแรกของการเผยแร่ธรรมเผยแผ่ธรรมนับตั้งแต่วันเพ็ญเดือนแปดถึงวันเพ็ญเดือนสามเป็นเวลาเจ็ดเดือนก็ปรากฏว่ามีพระอาหารหันต์ตสาวกอย่างน้อยก็หนึ่งพันสองรอยห้าสิบรูปที่วันนั้นได้มีความปรารถนาที่จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสารทิตต่างๆพระอาหารหันต ที่พระเจ้าได้ส่งสอนให้บรรลุนั้นพอบรรลุแล้วพระพุทธเจ้าก็สงบอกให้ไปเผยแผ่ธรรมให้ไปกันคนละทิศคนละทางอย่าไปสองคนให้แยกกันไปเพื่อการเผยแผ่พระธรรมจะได้เผยแผ่ไปได้อย่างรวดเร็วและกว้างใหญ่ไพศาลกว้างไกลหลังจากที่พระสองวโกเหล่านั้นไปเผยแผ่ธรรมได้ระยะหนึ่ง ก็มีความปรารถนาอยากจะเข้ามากราบพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าซ้ำนึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าก็เลยมาพบพระพุทธเจ้าในวันแผ่นเดือนสมโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนวันที่เราเรียกว่าวันมาฆบูชาวันที่มีพระสาวกมีพระอาหารหันตสาวก1250งพันสรูป มาเข้าเฝ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันเอาไว้ก่อนนี่คือจำนวนของบัวที่อยู่พ้นน้ำบัวที่บานด้วยแสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงในระยะเพียงเจ็ดเดือนก็มีพระอาหารหันต์อย่างน้อยหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปปรากฏขึ้นมาในโลกแล้วก่อนหน้านั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตัดสัุ้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงประกาศพระธรรมคาสอนนั้น ไม่มีพระอรหันตสาวกแม้เพียงรูปเดียวเพราะมีไม่ได้สาวกนี้เป็นนักเป็นผู้ฟังเป็นนักเรียนนักศึกษานักศึกษาจะเรียนจบได้ก็ต้องมีอาจารย์สอนอตอนนั้นยังไม่มีอาจารย์ยังไม่มีพระพุทธเจ้ า, าก็เลยไม่มีพระอรหันตสาวกถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีพระอรหันตสาวกปรากฏตามขึ้นมาได้ ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าก่อนและต้องเป็นพระพุทธเจ้าที่เผยแผ่ธรรมถ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่ไม่เผยแผ่ธรรมคือพระปเจกะพุทธเจ้าก็จะไม่มีภาษาวอกจะไม่มีพระธรรมคำสอนก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาเพราะการจะมีพระพุทธศาสนาได้จำเป็นจะต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่จะทำหน้าที่เผยแผ่สั่งสอนพระธรรมคำสอนอันประเสริฐให้แก่สัตว์โลกเมื่อสัตว์โลกได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามก็จะได้บรรลุกันก็จะทำให้เกิดมีพระพุทธศาสนาขึ้นมาแต่ถ้ามีแต่พระประเจกพะพุทธเจ้าพระองค์ก็จะไม่ทรงแสดงพระธรรมคำสอนเมื่อไม่ทรงแสดงพระธรรมคำสอนก็จะไม่มีภษาบกตามมา ก็จะไม่มีพระธรรมพระสงฆ์มีแต่พระพุทธเมื่อพระพุทธตายไปพระพุทธเจ้าตายไปก็จบหมดไปแต่ถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงแม้พระพุทธเจ้าจะตายไปแต่ก็มีตัวแทนของพระพุทธเจ้าทำหน้าที่ต่อก็คือพระธรรมคำสอนและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธของพวกเราจึงมีอายุ ยืนยาวนานมาถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าเรายังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่นั่นเองนี่คือเรื่องของการเผยแผ่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าในยุคแรกๆนะหลังจากที่ได้สั่งสอนบรรดานักบวชที่มีศีลมีสมาธิเต็มร้อยไปหมดแล้วทีนี้ก็เลยต้องมาสั่งสอนผู้ที่ มีศีลแต่ยังไม่มีสมาธิเอคือเป็นนักบวชแต่ยังกําลังอยู่ในขั้นจเจริญสติขั้นนั่งสมาธิอยู่เอได้บวชแล้วมีศีลแล้วแต่ยังไม่มีสมาธิเพวกนี้ก็เป็นหมวนบัวเหล่าที่สองบัวปริ่มน้ําก็ต้องใช้เวลาหน่อยกว่าบัวนี้จะโผล่เหนือน้ําขึ้นมาได้ แล้วรับแสงสว่างของพระอาทิตย์แล้วจึงบานได้กลุ่มที่สองนี้ก็เป็นกลุ่มที่เป็นนักบวชแต่ยังไม่มีสมาธิกำลังฝึกสมาธิหัดสมาธิอยู่หัดเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิมีกายกระตาสติคอยดูจิตคอยดูร่างกายคอยดึงจิตให้ให้อยู่กับร่างกายไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ แ้นะพอเวลามีเวลาว่างก็นั่งสมาธิกันถ้ามีสมาธิพอนั่งเพราะถ้ามีสติแล้วเวลานั่งก็จะมีสมาธิพอมีสมาธิแล้วก็ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเพอได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจากพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ดีหรือจากพระอาหารหันตาสาวกก็ดีก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา เหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอานันตสาวกก็จะเป็นบัวที่จะบานต่อไปอแต่ต้องใช้เวลาสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนให้โผล่เหนือน้ำขึ้นมาก่อนแล้วพอโผล่เหนือน้ำพอได้สัมผัสกับแสงสว่างแข็งดวงอาทิตย์ดอกบัวก็จะบานขึ้นมาทันทีนี่ก็เป็นกลุ่มที่สองหลังจากที่พระ อ, องค์ได้ทรง สั่งสอนกลุ่มที่หนึ่งไปหมดแล้วเป็นเหมือนกับการข้นกะทิน้ำแรกนี้จะได้น้ำกะทิที่เข้มขน้นพอผ่านแล้วก็มาเอาน้ำที่สองก็เป็นกะทิที่ไม่เข้มขน้นแต่ก็ยังมีเนื้อของยังมีน้ำของกะทิอยู่พอพระองค์ได้สั่งสอนพวกที่เป็นบัวเหล่าที่สองหมดแล้ว ก็มุ่งไปพวกที่สามคือพวกที่ยังไม่มีศีลยังไม่มีสมาธิของยังไม่ได้บวชสอนให้ทําบุญทําทานสอนให้รักษาศีลสอนให้ฝึกนั่งสมาธิไปก่อนคือเหาบรรดาฆราวาสญาติโยมทั้งหลายที่ยังไม่รู้จักเรื่องของศีลสมาธิปัญญาก็สอนให้ทําบุญทําทานสอนให้รักษาศีล วันธรรมดาก็ให้รักษาศีลห้าวันพระก็ให้ถือศีลแปดแล้วก็หยุดทำงานไปอยู่วัดหนึ่งวันไปหัดนั่งสมาธิไปศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดปัญญา <Yeah. S 1> ถ้าปฏิบัติตามได้เดี๋ยวไม่นานก็จะได้ได้ความสงบขั้นต้น <Yeah. S 1> ก็จะเกิดศรัทธาเกิดความอยากจะบวช จะไปบวชเพื่อที่จะได้บําเพ็ญศีลสมาธิให้ได้เต็มร้อยแล้วก็ต่อไปก็จะได้บรรลุทำตามลําดับต่อไปนี่ก็คือพวกบัวเหล่าที่สส่วนพวกบัวเหล่าที่สี่ก็คือพวกที่ไม่เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อว่าการทําทุนทำบุญทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิการฟังเทศฟังธรรมจะทําให้ได้รับความสุข มากกว่าการทําความสุขหาความสุขตามความอยากต่างๆหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดปฎิพาณ์พวกนี้ก็จะไม่เชื่อไม่ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ทําบุญทําทานเสียดายเงินเอาเงินไปเที่ยวดีกว่าไม่รักษาศีลรักษาศีลแล้วหาเงินลําบากเที่ยวลําบาก จะกินจะดื่มน้ำบากก็ไม่รักษาศีลแล้วยิ่งให้ภาวนาให้นั่งสมาธิยิ่งไม่อยากจะทำใหญ่ไม่รู้นั่งไปทำไมนั่งแล้วได้อะไรนั่งเฉยๆแล้วจะได้อะไระกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่มีศรัทธาในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนพวกบัวที่อยู่กับโคลนกับตมที่จะไม่มีวันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้ พวกนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสั่งสอนทรงเลือกสั่งสอนแต่บัวสามเหล่าเท่านั้นอบัวที่ยังมีความศรัทธามีความเชื่อในบุญในการทำบุญมีศรัทธาในการรักษาศีลมีศรัทธาในการภาวนาก็ทรงสั่งสอนไปได้เรื่องแล้วกลุ่มเหล่านี้ก็จะพัฒนาจากบัวขั้นที่สามเป็นบัวขั้นที่สอง อยากบวขั้นที่สองก็เป็นบัวขั้นที่หนึ่งแล้วก็บ ร, รรลุทำไปตามลำดับต่อไปาศาสนาก็มีผู้มาบรรลุธรรมกันอยู่เรื่อยเพราะมีการสั่งสอนทำอยู่เรื่อยและมีศรัทธาที่จะศึกษาและน้อมนำเอาไปปฏิบัติจนบนรรลุธรรมขั้นต่างๆอยู่เรื่อยๆ จนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ 2,500 กว่าปีแล้วศาสนาของเราก็ยังมีการสั่งการสอนมีการฟังเทศฟังธรรมมีการศึกษามีการปฏิบัติตามมีการบรรลุธรรมขั้นต่างๆเราจึงยังมีศาสนาอยู่กับเราส่วนเรานี่จะเป็นคนกลุ่มไหนก็แล้วแต่กำลังของเราเราก็ดูได้ว่า ตอนนี้เราเป็นธรรมเป็นเป็นบัวเหล่าไหนเราเป็นนักบวชแล้วยังไม่เป็นนักบวชเป็นนักบวชแล้วได้ได้สมาธิแล้วหรือยังได้สมาธิเต็มร้อยแล้วหรือยังอันนี้ก็จะบอกให้รู้ว่าเรากำลังเป็นบัวเหล่าไหนอยู่ถ้าเรายังไม่ถึงบัวขั้นที่หนึ่งเราก็ต้องหมั่นพัฒนาจิตใจของเรา ให้ก้าวขึ้นไปสู่บัวขั้นที่หนึ่งให้ได้คือบัวเหนือน้ำบัวที่พร้อมที่จะรับแสงสว่างแห่งธรรมบัวที่พร้อมที่จะบานออกมาด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยตอนนี้เราอาจจะมีปัญญากันแล้วแต่สิ่งที่เรายังไม่มีก็คือสมาธิสิ่งที่เรายังมีไม่ครบก็คือ ศีลสมาธิอาจจะมีบ้างแต่ยังมีไม่ครบเมื่อยังไม่ครบมันก็ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่พร้อมที่จะรับแสงสว่างแห่งธรรมของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็ยังบรรลุไม่ได้ก็เลยต้องพยายามสร้างศีลสร้างสมาธิขึ้นมาสร้างปัญญาขึ้นมาถ้าได้ศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อยแล้ว ใจก็จะบรรลุธรรมได้ใจก็จะเป็นบัวเหนือนา้าบัวที่จะบานในเวลาที่ได้สัมผัสกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ใจก็จะบรรลุธรรมเมื่อได้สัมผัสกับแสงสว่างแห่งธรรมนี่คือเรื่องของ การปฏิบัติของสัตว์โลกเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องของพระพุทธเจ้าที่มีมาปรากฏเป็นที่พึ่งให้แก่สัตว์โลกเป็นจํานวนมากตามจะมีปรากฏขึ้นได้ในแต่ละยุคแต่ละสมัยเพียงรูปเดียวพวกเราถ้าได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาก็จะถือว่าเป็นผู้ที่ มีโชคมีวาสนาเพราะว่าเหมือนกับได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมีโอกาสที่จะได้ไปขึ้นรางวัลคือพระนิพพานได้ถูกลอตเตอรี่แล้วแต่ถ้ายังไม่ไปขึ้นรางวัลก็ยังไม่ได้รางวัลการมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนานี่ก็ถือว่าได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนา คือได้พระนิพพานแล้วแต่ยังต้องไปขึ้นรางวัลการขึ้นรางวัลก็คือการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญานี้เองการปฏิบัติทานถอนสมองก่อนถ้ายังไม่ถอนสมองจะไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เต็มร้อยเพราะจะมีภาระเกี่ยวกับการหาเงินหาทองภาระที่ใช้เงินใช้ทอง ก็จะไม่มีเวลามาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มร้อยนั่นเอง yeah. ถ้าอยากจะไปบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอย่างเต็มร้อย <Yeah. S 1> ก็ต้องทำทานให้เต็มร้อยก่อน <Yeah. S 1> ต้องถอนสมอเรือก่อน <Yeah. S 1> เมื่อถอนสมอเรือแล้วเรือก็จะได้ออกเดินทางไปสู่พระนิพพานได้ <Yeah. S 1> ถ้ายัางไม่ถอนสมอเรือก็จะอยู่ในฝ้าของ การเวียนว่ายตายเกิดเยอะคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะมีพระพุทธเจ้าอยู่กี่ร้อยกี่พันพระองค์มาตัดสรุปแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้จะสอนเหมือนกันหมดเพราะเป็นความจริงที่จะทําให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเป็นทางเดียว ทางที่จะพาให้สัตว์โลกหลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็คือพระอริยสัจส์่ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาตรัสรู้ก็จะมาตรัสรู้พระอริยสัจสีแล้วไม่ว่าจะสั่งสอนก็จะสั่งสอนพระอริยสัจสี่ถ้าผู้ฟังฟังแล้วเข้าใจพระอริยสัจสีะสามารถปฏิบัต กิจของพระอริยาาสัจสี่ได้คือละสมุทัยด้วยการเจริญมรรคได้ก็จะทำให้เกิดนิโรธการดับของความทุกข์ได้นี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราควรที่จะคำหนึงถ้าเราอยากจะได้รับประโยชน์อยากจะได้รับรางวัลของพระพุทธศาสนาเราก็ต้องมาทำกิจในอริยสัจสี่คือมาเจริญมรรคกัน เจริญสีนสมาธิปัญญากันเพราะถ้าเราไม่มีสีนสมาธิปัญญาเราจะไม่สามารถละสมุทัยที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจได้เราก็จะไม่ได้นิโรธการดับการหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเราต้องการนิโรธการหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องมาเจริญมรรคกันมาทําทานมาสละมาถอนสมอ แล้วก็มาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญากันเมื่อเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วเราก็จะมีกำลังที่จะละกามะตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาได้เมื่อเราละ ก, กามะตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาได้หมดแล้วใจของเราก็สะอาดบริสุทธิ์ใจก็จะเป็นนิพพานขึ้นมาใจก็จะมีแต่บรลมบสุข ใจก็จะไม่มีการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเพราะใจได้ไปถึงพระนิพพานแล้วนั่นเองที่ที่ไม่มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายอีกต่อไปสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วหมั่นศึกษาหมั่นปฏิบัตินแล้วผลจากการปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นมา พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สามารถศึกษาไม่สามารถปฏิบัติให้เราได้เราต้องเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติเองและเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่นี้สามารถศึกษาสามารถปฏิบัติกันได้ทุกคนไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เพศอยู่ที่วัยไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือน ขึ้นอยู่ที่ว่ามีศรัทธามีวิริยะหรือไม่ศรัทธาก็คือความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าวิริยะก็คือความอุตสาหะพยายามความภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านั้นถ้ามีศรัทธามีวิริยะเราก็จะสามารถปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันได้แล้วเมื่อเราได้ปฏิบัติเราก็จะบรรลุผลจากการปฏิบัติได้ ได้นิโรธได้การหลุดพ้นจากการความทุกข์ทั้งหลายได้พระนิพพานคือนิบบานังปรมังสุ ข, ขังได้กันทุกคนนะจึงขอให้พวกเราอย่าให้เอาเหตุผลของว่าของการเป็นหญิงเป็นชายของการเป็นนักบวชหรือเป็นคาวะของการเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่มาเป็นอุปสรรคต่อการบําเพ็ญเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นอุปสรรค สิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือการไม่มีศรัทธาการไม่มีวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรเท่านั้นถ้าไม่มีก็ต้องพยายามสร้างขึ้นมาด้วยการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วจะเกิดศรัทธาจะเกิดวิริยะขึ้นมาแล้วก็จะนำไปสู่การปฏิบัตินำไปสู่การหลุดพ้นต่อไป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 สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพารุโคลวินัสตุมาเตปวัตวันตราโยสุขีทีขายุโภว พิวาทนสีลิศะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังภาลาัตอนนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ ไปจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมหลังจากนั้นก็ขอยุติการถามตอบอมีคนเขาบอกว่าน้องเจี๊ยบเสียงดีถ้าน้องเจี๊ยบอยากจะมาช่วยอ่านคำถามก็ได้นะไม่ต้องเกรงใจใครมีคำถามาเปิดไมค์ก่อนนะน้ำมศการค่ะหลวงพ่ อ, อ, อเหตุเกิดเมื่อวานนี้เจ้าค่ะคือ อหนอูหนูก็คือพยายามคือหนูฟังธรรมเป็นประจําอยู่แล้วแล้วหนูก็คือสิ่งที่ได้รับจากธรรมะบนเขาแล้วก็ที่หลวงพ่อเทศก็เอาไปใช้กับชีวิตประจําวันปัจจุบันปัจจุบันนี้หนูเวลาหนาูเอาของให้พ่อหนูจะกราบพ่อเหมือนที่กราบพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วสิ่งที่ตอนนี้มากระทบก็คือแต่หนูไม่ได้สนใจอยู่แล้วค่ะว่าพ่อหนูพูดโทรเป็นประจํา <c oughs> <ๆ>เขาก็มาถาตรง ๆ, ๆเลยว่ะ เอ็ดาม่าหรือเปล่าเนี่ยกราบขนาดนี้ mm hmm. หนูอันนี้คือเขาไม่ได้ฝากถามนะแต่ถามต่อหน้าเลยเจ้าค่ะ mm hmm. แล้วหนูก็ตอบไปว่าเออเรากําลังจะทํากุศลดีๆในกับชีวิตเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมาก็แล้วไปแต่ปัจจุบันนี้ทําที่เราได้รับมาจากที่ได้ได้ฟังมาประเป็นปีๆแล้วอะหนูคิดว่าหนูตอบเข้าไปว่าหนูกํากลังทําทํากุศลกรรมที่ดีในในชีวิตที่ และจะพยายามจะทำทุกๆวันแล้วทุกๆครั้งกับพ่อแม่ตัวเองเปรียบเหมือนพระอาจารย์เจ้าค่ะรูต่อไปแบบนี้ผิดหรือเปล่าเจ้าคะก็ไม่รู้จะผิดตรงไหนทำความดีมันก็ไปผิดได้ไงแต่ทีนี้เขาแบบดาม่าอ๋อมันก็เป็นเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นเรามาทำมาก่อนมันก็แปลกใจ ก็อาจจะไม่มั่นใจอาจจะเป็นเลขกนของเราหรือเปล่าจะขอทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่พ่อตัวเองเจ้าค่ะกันแล้วแต่ละใครก็ตามเขาพูดก็ก็อาจจะไม่น่มั่นใจแล้วก็บอกเขาไปทีเขาว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจต์ระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนก็ขอดูไปก่อนก็แล้วกันเจ้าค่ะ อย่าดรามาหรือไม่ดรามาก็ดูไปเรื่อยๆก็แล้วกันเจ้าค่ะและข้อที่สองพอหนูได้ทำความดีทุกๆครั้งเวลาหนูนั่งเจริญสติวีทุกครั้งที่หนูทำความดีหรือไม่ก็ทําบุญใส่บาทก็ช่างหรือทำความดีทุกครั้งหนูนั่งเจริญสติในในวันนั้นวันนั้นน่ะหนูรู้สึกไปได้ดีเจ้าค่ะเป็นเพราะเหตุก็เพราะความดีความดีทําให้จิตเราสงบจิตเรามีความสุข จิตเราอะไรไม่ฟุ้งซ่านไม่เกิดความคิดความอยากในสิ่งต่างๆมันก็เลยดีทำอะไรก็ดีไปหมดนะแต่หนูต่อเขาไวว่าอยู่คำหนึ่งไม่รู้ว่าพูดแรงไปหรือเปล่าว่าหนูกำลังจะสร้างตัวเองว่าหนูกำลังจะทำตัวเองเปลี่ยนตัวเองคือว่าหนูไม่อยากจะดีแต่ภายนอกเปลือกนอกหนูอยากจะดีจากข้างในด้วยเจ้าค่ะก็ พูดก็ได้ไม่พูดก็ได้ะบางทีเป็นเสือซ่อนเล็บดีกว่าพูดไปมากเดี๋ยวขาดทุนเดี๋ยวพูดแล้วทาไม่ได้มันจะเสียฟอร์มเจ้าค่ะ <laughs> ถ้าไม่พูดมันเราไม่ทําก็ไม่มีใครเขาว่าเราพอพูดแล้ว น, นี่มีแต่ปาก <laughs> แต่เนื้อไม่มีมีแต่น้ำไม่เนื้อไม่มี ฉันถ้าย่าพูดดีกว่าให้ให้ความจริงมันเป็นตัวพูดแทนเราดีกว่าอให้การกระทําของเราเป็นตัวพูดแทนเราดีกว่าอเพราะมันเป็นของจริงของแท้คาพูดนี้มันไม่แน่นอนพูดอย่างทำอีกอย่างก็ได้อวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ facebook ตอนพระอาจารย์แสดงธรรมอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบครับตอนนี้อยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบสองคนครับส่วนทาง a c e b o o k ส่วนทาง YouTube อยู่ที่เจ็ดสิบคนนะครับอตอนนี้ยังอยู่เจ็ดสิบครับเสาร์อาทิตย์นี้ไปไปต่างจังหวัดไปที่อื่นกันไม่สะดวกที่จะติดตามถ้าวันธรรมดาเดียนนี้ขึ้นสี่ร้อยกว่าพอเสาร์อาทิตย์ก็ลงมาสองร้อยกว่าก็ทำเป็นเศริตีไปไม่ได้ดีใจเสียใจอย่าไปคิดว่าเราติดตามตัวเลขอะไรนะติดตามเพื่อให้รู้เท่านั้นเองว่ามีผู้ติดตาม ามากน้อยเพียงไรจะมากจะน้อยเราก็ต้องพูดอยู่ดีมีคนเดียวก็ต้องพูดนอกจากว่าไม่มีใครมาถ่ายไม่มีใครมาทอดก็ไม่ต้องพูดคําถามต่อไปจากอินบ็อกซ์ครับจากคุณเป๊ปครับผมเลิกกับแฟนเพราะไม่ค่อยใส่ใจดูแลบางครั้งมีทิฐิแล้วสุดท้ายเลิกกันผมรู้สึกเสียใจที่หลังเห็นความสำคัญ เมื่อสูญเสียกินไม่ได้นอนไม่หลับนานมากครับมันเกิดจากกรรมหรือเปล่าครับก็จากตั่นหาความอยากของเราอยากให้ให้เขาทำตามใจเราพอเขาไม่ทำตามใจเราเราก็โกรธเขาเท่านั้นเองถ้าเรารู้จักทำใจรู้จกักรู้จกักใช้ปัญญ า, าว่าของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอนัตตานะมันเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ บางทีเขาจะอยากจะทำเขาก็ทำบางทีก็ไม่อยากจะทำเขาก็ไม่ทำเราก็อย่าไปหวังพึ่งเขามากหัดพึ่งตัวเราเองแล้วเราก็จะได้ไม่มีความ ร, ารู้สึกโกรธเขาหรือเสียใจเวลาที่เขาไม่ทำอะไรตามที่เราอยากให้เขาทำเราก็ยังจะอยู่กับเขาได้เพราะเขาก็มีส่วนดีอยู่เวลาเขาทำให้เราเราก็มีความสุข เะเวลาเขาไม่ทำก็ต้องเข้าใจว่าบางทีจิตใจเขาไม่พร้อมที่จะทำให้กับเราก็ได้เราอย่าเอาแต่ใจตัวเราถ้าเราเอาแต่ใจแล้วผลก็จะเกิดอย่างนี้พอเอาแต่ใจก็โกรธโกรธแล้วเลิกกันพอเลิกกันแล้วก็มาเสียใจในภายหลังว่าดูอย่างนี้ไม่โกรธ ด, ดีกว่าคำ ถ, ถามต่อไปจาก Facebook ครับจากกุณสุชาติครับวิปัสสนูปกิเลสคืออะไรครับ คือการเห็นเห็นสิ่งต่างๆที่ตนเองคิดว่าเป็นปัญญาแต่ความจริงมันเป็นกิเลสอยู่เห็นผิดเป็นชอบเห็นคงจากเป็นดอกบัววิปัสสูกกิเลสวิปัสสุคือเช่นเห็นว่าตนเองบรรลุแล้วเป็นโสดาบรนลแล้วแต่เป็นเพียงแต่ความเห็นแต่ความจริงยังไม่เป็น มในการต้มไข่คิดว่ามันสุกแล้วพอข้อออกมาอ่ะมันยังเดบิ่อยู่มันเป็นความคิดไม่ที่ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเอถ้าไข่สุกถ้าข้อกมามันก็ต้องสุกมันไม่มันไม่เละถ้ามันยังเละก็แสดงว่ามันยังไม่สุกคำถามต่อไปจากคุณกสิโชครับได้พยายามทําสมาธิครับแต่พอตั้งใจแต่พอตั้งใจเกินมันไม่ลงครับมันทื่อๆบอกไม่ถูกขอรับ ไม่นุ่มนวลขออาจารย์ชี้แนะด้วยครับอ๋อเพราะสมาธิไม่เกิดจากความตั้งใจเกิดจากการมีสติงั้นอย่าไปตั้งใจมากจนเกินไปตั้งใจก็ให้ตั้งอยู่ที่สติให้มีสติไปเรื่อยๆพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆ อ, อือย่าไปตั้งใจที่ผลว่าจะให้มันสงบให้ได้จะนั่งให้มันสงบให้ได้ถ้าไปตั้งแบบนั้นแล้วมันจะฝืนจะบังคับ ใ ห, ให้ตั้งอยู่ที่สติว่าให้มีสติไปเรื่อยๆให้พุโทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบของมัเองคำถามต่อไปจากคุณนกครับถ้าอยากบวชชีเพื่อปฏิบัติธรรมแต่ยังมีหน้าที่ทางครอบครัวถูกมัดผูกมัดอยู่ต้องทํำยังไงคะต้องอธิษฐานจิตยังไงถึงจะได้บวชคะออก็ต้องเลิกกับครอบครัวไปก่อนนี่ ตังจิตตั้งใจต่อไปนี้ต้องหาวิธีเลิกต้องอยู่เป็นโสดให้ได้ก่อนถ้าอยู่เป็นโสดได้ก็บวชได้แต่ถ้ายังอยู่กับครอบครัวก็ยังบวชไม่ได้ดังั้นต้องตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อไปนี้เราจะต้องหาวิธีที่จะไปอยู่คนเดียวให้ได้ถ้าเราอยู่คนเดียวได้แล้วเราก็จะบวชได้แต่อย่าไปหาวิธีที่มันเป็นบาปเป็นกรรมก็แล้วกันเช่นไปฆ่าเขา เอิอไปทำอะไรที่เสียหายวิธีหนึ่งก็คืออย่าไปอาบน้ำสิอยู่กับเขาไปเรื่อยๆอย่าไปอาบน้าอย่าไปแปรงฟันอย่าไปหวีผ้าหวีผมอย่าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดเก่าไปมันเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็เบื่อเราเองเดี๋ยวเขาก็ขอเราเขาแยากจากเราไปเองถ้าเราชอบทําตัวสวยทาตัวน่ารักเขาก็อยากจะอยู่กับเราเนี่ย คำถามต่อไปจกคุณอนัตตาครับตั้งใจรักษาสินห้าตลอดชีวิตแต่วันหนึ่งก็สอบตกเพราะพบว่ามีปลวกจำนวนมากกัดกินหนังสือและและตู้หนังสือแล้วยังเข้าไปอาศัยอยู่ในกำแพงบ้านคิดไม่ตกว่าจะเอาไงสุดท้ายต้องยอมโทรเรียกบริษัทกำจัดปลวกมาจัดการรู้สึกไม่สบายใจมากเลยครับแต่ก็ต้องยอมสินขาดต่อไปนี้ถ้าเจอแบบนี้อีกจะต้องทำยังไงดีครับขอคาแนะนาด้วยครับ ก็อยู่เฉยๆปล่อยให้มันกินไปให้มันกัดไปคำถามต่อไปจากคุณเพนจันทครับการพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายว่าเป็นส่วนว่าไม่เที่ยงเสื่อมสลายเป็นภาระเราพิจารณาหลังจากที่ออกจากการนั่งสมาธิคำถามข้อที่หนึ่งคือเราพิจารณาทุกๆโอกาสที่ว่างจากการงานต่างๆใช่ไหมเจ้าคะเราทําอย่างไรเจ้าคะ ก็ให้พิจารณาบ่อยๆทุกโอกาสที่เรามีโอกาสที่จะพิจารณาได้นึกถึงได้ก็พิจารณาเพื่อให้เราปรองให้เราวางร่างกายไม่ให้ไปยึดไปติดพร้อมที่จะให้ร่างกายมันตายได้คําถามที่สองที่เคยได้ยินว่าเมื่อพักจากการพิจารณาแล้วให้นั่งสมาธิอันนี้แสดงว่าเราพิจารณาและนั่งสมาธิตลอดวันเลยใช่ไหมเจ้าคะ เป็นคารวาสจะทำได้อย่างไรเจ้าคะก็ต้องไปเป็นนักบวชเนี่ยที่พูดนี้ก็เป็นสถานภาพของนักบวชหรือของคารวาสที่ไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นคารวาสบางคนมีบุญนะมีเงินมีทองพ่อแม่ทิ้งเงินทองไว้ให้ไม่มีภาระไม่มีครอบครัวอยู่คนเดียวอนี้ก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ทั้งวันโดยที่ยังไม่ต้องไปบวชก็ได้แต่ไม่ช้าก็เร็วก็อยากจะไปบวช เพราะว่าการไปบวชนี่ถ้าได้ไปพบกับครูบาอาจารย์ที่เก่งกว่าเรามีสถานที่ปฏิบัติที่ดีกว่ามันก็จะทําให้การปฏิบัติของเราคืบหน้าไปกว่าที่ที่เราอยู่คํถาถามต่อไปจากคุณนิ่มครับถ้านั่งสมาธิจนลมหายใจที่เคยสัมผัสค่อยๆหายไปและไม่รับรู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่เจ็บไม่ปวดหมายถึงเราหลับ หรือสมาธิดิ่งกันแน่ระหว่างสองอย่างนี้มันมีข้อแตกต่างกันตรงไหนจะได้นํามาพิจารณาตัวเองจะได้ไม่หลงทางค่ะก็ต่างกันตรงที่รู้หรือไม่รู้ไงเช่นเราคุยกันเนี่ยแล้วเราหยุดคุย้เรารู้แล้วหรือเปล่าถ้ารู้ก็แสดงว่าเราไม่หลับแต่ถ้าเราเราหลับเราก็ไม่รู้ว่าเขาคุยกันอยู่หรือเปล่ายังก็ต้องรู้ว่าจิตกําลังคิดปรุงแต่งหรือไม่คิดปรุงแต่ง ถ้ารู้ว่าจิตหยุดคิดปรุงแต่งก็แสดงว่ารู้ก็เป็นสมาธิถ้าไม่รู้ว่าหยุดคิดปรุงแต่งไม่รู้อะไรเลยก็แสดงว่าหลับคำถามต่อไปจากทางยูทูบครับจากคุณลาวันเรียนถามว่ากิเลสอย่างละเอียดทำอย่างไรจึงจะละได้คะ อ, อ๋อก็ต้องละ ก, กิเลสอย่างหยาบก่อนออละลาบยศสรรเสริญละความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกาย และการดูหนังฟังเพลงเช่นมาถือศีลแปดให้ได้ก่อนถือศีลแปดให้ได้ทําจิตให้สงบให้ได้ก่อนถึงจะเข้าสู่กิเลสที่ละเอียดได้ต้องผ่านกิเลสที่หยาบก่อนเหมือนงานไม้เนี่ยช่างไม้ก่อนที่เขาจะอะลงใช้กระดาษทรายขัดนี่ตอนต้นเขาก็ต้องใช้มีดใช้ขวานตัดไม้มาก่อนตัดไม้มาแล้วก็มา มาเลื่อยมาใสาให้เป็นรูปเป็นล่างที่เขาต้องการเมื่อเสร็จแล้วเขาก็ค่อยมาลงกระดาษทรายก่อนที่เขาจะลงสีต่อไปอันใดการบาเพ็ญก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนต้องกำจัดกิเลส ท, ที่อยากก่อนแล้วค่อยไปสู่กิเลส ท, ที่เป็นกิเลสปานกลางจากกิเลสปานกลางถึงจะเข้าสู่กิเลส ท, ที่ละเอียดได้ ละเอียดที่ละเอียดนี้เป็นขั้นสุดท้ายเขาเรียกว่าขั้นอรหัตตมรรคนะนั้เอาละเอียดขั้นหยาคือขั้นอขั้นศีลให้ได้ก่อนถือศีลแปดให้ได้ก่อนแล้วก็มาเอาละเอียดขั้นสติเอกิเลสขั้นสติคือขั้นเผอสตินี้ก็เลยเป็นกิเลสอย่างหนึ่งขั้นสมาธิก็คือขั้นฟุ้งซ่านกิเลสฟุ้งซ่า น, า น, านถ้าได้สมาธิก็กําจัดกิเลสที่ฟุ้งซ่านได้ แล้วถึงเข้าไปสู่ขั้นปัญญาที่มีหลายระดับต่อไปคำถามต่อไปจากทางอินบ็อครับคำ ถ, ถามจากผู้เริ่มปฏิบัติครับลูกมีความกังวลที่อยากจะหาเงินมาทำบุญให้ได้มากๆเวลาเห็นใครทำบุญด้วยเงินเยอะๆก็จะมีความทุกข์ใจว่าทำไมเราไม่สามารถหาเงินได้มากอย่างเขาชาตินี้มีเงินน้อยก็ได้บุญน้อยลูกควรคิดอย่างไรดีเจ้าคะ่ะคิดอย่างนี้คิดไม่ถูกเนะเพราะพ่บุญ นี่ที่มีมากกว่าการทําทานก็เราสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องมีเงินเช่นรักษาศีลนี่ก็ได้บุญมากกว่าบุญที่เกิดจากการทําทานแล้วถวายกรถินร้อยล้านสูดรักษาศีลห้าไม่ได้รักษาศีลห้านี่ได้บุญมากกว่าก็ถวายกรถินร้อยล้านเพราะว่ากรถินร้อยล้านนี่ยัง ป, ป, ป, ปิดประตูอบายไม่ได้ ตายไปยังมีโอกาสไปอบายได้ถ้าไม่รักษาศีลแต่ถ้ารักษาศีลได้นี่ตายไปไม่ไปอบายยังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทองไม่มีเงินทำบุญนี่ก็ถือว่าไม่ต้องทำที่เราทำเพราะว่าเราต้องการกาจัดเงินทองที่เรามีอยู่ที่เป็นเหมือนสมอเรือที่จะทำให้เราไปรักษาศีลไปภาวนาไม่ได้ต่างหากางนั้นถ้าเราไม่มีเงินทองก็ดีสิเราก็ได้ไปภาวนาเลย ไปเป็นอยู่แบบพระเลยพระท่านก็ไม่มีทานพระท่านก็ไม่เลยทําบุญทําทานแต่พระท่านรักษาศีลพระท่านภาวนาเป็นบุญที่มากกว่าบุญที่ได้จากการทําทานคํถาถามต่อไปจะทาง a c e b o o k ครับจากคุณพานุวัตรคนส่วนมากที่ทํางานผมมักมองว่าผมว่าเข้าวัดถือเป็นถือศีลเป็นเรื่องแปลกหาว่าไม่อยากอยู่ในสังคมบ้าง ทำแล้วได้อะไรผมควรวางตัวกับคนพวกนี้แบบใดครับก็เหมือนกับเสียงจริ้งจกเนี่ยมันร้องจุกชุกชุกชุกก็ไปมันร้องไปเนี่ยให้มันเราวางตัวพวกจริ้งจกไงเนี่ยเราก็ไม่ไปสนใจเขาใช่ไหมจิ้งจกมันบอกว่ามาทำอะไรที่นี่ทําไมวะมานั่งเฉยเฉยมานั่งคุยกันไม่เห็นได้อะไรเลยทําให้ไปเที่ยวไปเล่นกันอันนั้นพวกนั้นกับพวกจริ้งจกอะที่เห็นพวกเราเข้าวัดเข้าอาปฏิบัติธรรม นั้นก็อย่าไปสนใจคำถามต่อไปจากคุณพัชรากสิทธครับความเชื่อนี้จริงไหมครับที่เราทำบุญอะไรไปพอตายไปจะได้อย่างนั้นอย่างเช่นทำบุญด้วยน้ำตายตายไปจะได้มีน้ำดื่มไม่หรอกคือการทำบุญจะได้บุญบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจ เห็นเราทําอะไรเราก็จะได้ความสุขใจอิ่มใจแต่กลับมาชาติหน้าก็อาจจะได้สิ่งที่เราทําไว้ทําน้ําไม่มากก็จะได้น้ํามากทําเงินมากก็จะได้เงินมากทําอะไรมากก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาแต่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าอสิ่งที่เราได้คือบุญคือความอิ่มใจสุขใจเราก็ไม่เดือดร้อนจะได้อะไรมากได้อะไร้อยก็ไม่เป็นปัญหาอะไร คำถามต่อไปจากคุณวุทธครับพุทโธกับพองหนอแตกต่างกันอย่างไรครับก็ต่างๆที่มันเสียงมันไม่เหมือนกันเลยยุยออกยยนหนอก็เสียงอย่างหนึง่งพองหนอก็เสียงอีกอย่างหนึ่งแต่มันทําหน้าที่แทนกันได้คือทําให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ะงั้นเราจะใช้พุทโธก็ได้จะยุกหน อ, อก็ได้พเพราะเมื่อเรามียุกหนอหรือมีพุทโธเราก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องๆๆนั้นเรื่องนี้ คำถามต่อไปจากคุณกสิทธิการครับผมเจอนกยังไม่ตายแต่โดนมดกลุมกัดผมจะช่วยมีคนบอกว่าไม่ต้องไปยุ่งเป็นกรรมของเขาผมอยากถามว่าเราควรทาอย่างไรครับถ้าเราถูกลถชนนอนอยู่ข้างถนนแล้วคนมีคนที่ไม่ยมาช่วยแล้วคนอื่นก็บอกว่าอย่าไปช่วยมันเลยปล่อยให้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมคุณจะคิดอย่างไรมาช่วยได้ก็ช่วยไปซิ มันอาจจะไม่หมดกรรมก็ได้อาจจะเป็นบุญของเราที่มาเจอเราเราก็ไปแก้กรรมของเขาได้เหมือนกันเพราะเขามีทั้งบุญทั้งกรรมเขาเคยทํากรรมมาแต่ในขณะเดียวเขาก็เคยทําบุญมาพอเขาเกิดเคาเกิดข้อกรรมก็มีบุญมาช่วยเขาได้เหมือนกันยังถ้าช่วยใครได้ช่วยไปเถิดอย่าไปอ้างว่าโอ้ยเป็นกรรมของเขามันจะเป็นกิเลสปปล่าเพราะบางทีไม่อยากจะเป็นภาระไม่อยากจะย ยุ่งไม่อยากจะเสียเวลาไม่อยากจะเสียเงินทองนะก็เลยไม่ช่วยดีกว่าอ้างว่าเป็นกรรมของเขาก็ยองย้อนถามเพราะว่าถ้าเป็นเมลงมึงจะทำํำมึงจะเป็นยังไงบ้างคำนะถามต่อไปจากคุณเพรมจิตครับเวลาแผ่เมตตากําหนดจิตไปหาคนที่เราจะแผ่เมตตาให้กระแสจิตเรามีพลังมากแล้วจิตนิ่งแล้วขอบุญกุศลปกคลุมรักษาอันนี้เป็นจิตจากการเจริญอยู่กับใจใช่ไหมคะ อันนี้เป็นอวิชชาเป็นความหลงเป็นความบ้าเป็นความคิดที่ไม่มีเหตุไม่มีผลกระแสจิตมันไม่มีหรอกที่จะเกิดจากการท่องเมตตาเมตตาสัเพสัตตามันไม่ส่งไปให้ใครหรอกเมตตามันจะต้องเกิดจากการกระทําของเราทางกายทางวาจาเช่นเวลาเราพบปะกับใครเราก็ยิ้มให้เขานี่ก็เมตตาแล้วะเราส่งกระแสจิตกระแสจิตเราไม่มีพลังที่จะส่งเมตตา เราต้องส่งด้วยการกระทำทางกายทางวาจาทางความคิดเนี่ยคิดดีกับเขาเจอใครก็สวัสดีข้ายิ้มแย้มแจ่มจใสต้องการอะไรให้ช่วยหรื อ, รอเปล่ามีอะไรหรือเราทำขนมก็เอามาแบ่งกันแจกกันอย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาให้ความเมตตาต่อกันเวลาเขาทำให้เราโกรธก็ให้อภัยเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไร อย่างนี้เรียกว่าเมตตาไม่ใช่นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็เพ่งกระแสจิตส่งไปให้คนนู้นส่งให้คนนี้คนนั้นคนนี้เขาทําอะไรอยู่เขาจะไปรอบรู้หรือว่าเราก็ต้องเพ่งเรากำลังส่งเมตตาไปให้กับเขาดังนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าการแผ่เมตตาต้องแผ่ในขณะที่นั่งอยู่คนเดียวอันนี้เป็นอวิชชาเป็นความหลงเป็นความเข้าใจผิดการแผ่เมตตาต้องแผ่ในขณะที่เรา อยู่ต่อหน้ากันวเวลาอยู่คนเดียวแผ่เมตตาพอเจอหน้ากันแยกเคี่ยวใส่กันจะฆ่ากันจะฟันกันจะแทงกันแย่งสมบัติกันอย่างนี้มันไม่ได้แผ่เมตตาแผ่เมตตาต้องแบ่งกันสมบัติแบ่งกันคนมากหน่อยเราน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ไม่ต้องมาแย่งกันไม่ต้องมาทะเลาะกันไม่ต้องมาตีกันถ้า คุณได้มากหน่อยแล้วคุณมีความสุขก็สาธุไปนี่แหละแผ่เมตตาคำ ถ, ถามต่อไปจากทางเฟซบุ๊กนะครับจากคุณอ้อครับนั่งสมาธิจิตไม่สงบจะทำยังไงคะก็ต้องฝึกสติก่อนสิต้องพุทธโทพุทธโทก่อนที่จะมานั่งอาจพุทธโทไปทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลืมตาก็พุทธโทไปอาบน้ำก็พุโทโธไปล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไป รับประทานอาหารกับพุโทโธไปทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดกับพุโทโธพุธโทโธไปถ้ามีพุโทโธตลอดเวลาเวลานั่งมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านมันก็จะสงบคำถามต่อไปจะทาง YouTube ครับจากคุณพงศพิทักษ์ทำไมเราถึงรู้สึกเป็นทุกข์กับสิ่งของหรือสัตว์เลี้ยงที่เขาได้จากเราไปหลายวันแล้วไม่ยอมหยุดสักทีทั้งที่เราพยายามหยุดคิด แต่รู้ว่าต้องมีวันที่จะพัดภาคจากการเป็นธรรมดาเพราะเรายังอยากให้เขาอยู่นรายังอยากแม่ให้าไปนั่นเองเรายังไม่ยอมรับความจริงยังรับความจริงไม่ได้ยังทําใจไม่ได้ยังปล่อยเขาไม่ได้ยังไม่มีอุเบกขาต้องฝึกสมาธิต้องฝึกสติถ้ามีสติมีสมาธิแล้วมีปัญญารู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยง พเขาจากเราเราก็จะไม่ไปมีอารมณ์มีอะไรความรู้สึกอะไรรู้สึกเฉยเฉยคำถามต่อไปจากคุณตุ้มตุ้ยครับคู่ปฏิบัติธรรมร่วมกันมาแยกห้องนอนกันมานานแล้วถือศีลแปดให้ได้เกือบทุกวันอยู่เหมือนเพื่อนช่วยทางโลกและทางธรรมอย่างนี้เป็นการทวงหรือสนับสนุนกันคะเพราะสุดท้ายการปฏิบัติต้องเดินไปคนเดียวก็ <c oughs> ก็อย่างนั้นแหละก็ถ้าอยู่ด้วยกันมันก็ยังอดห่วงกันไม่ได้อดห่วงไม่ได้ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้นอนห้องเดียวกันถ้าเกิดคนอื่นมาแอบมานอนด้วยก็คงจะเกิดเรื่องเอ็นแต่ถ้าเราไม่อยู่เขาจะไปนอนกับใครเราก็จะได้ไม่กังวลไม่เดือดอร้อนเอ็นถ้าเป็นไปได้ก็ต้องแยกกันอยู่ทางนี้ต้องไปไปไปเตียงคนละเตียงกันต้องอยู่คนละบ้านกันอยู่คนละที่กัน มันถึงจะไปได้สบายได้สะดวกกว่าถ้าอยู่บ้านเดียวกันเห็นกันก็อดอดห่วงอดห่วงไม่ได้อยู่ดี yeah. อีกคาถามจากคุณตุ้มตุ้ยครับการมีโอกาสได้ใส่บาตร ท, ทาบุญกับครูบาอาจารย์เป็นประจำถือว่าเป็นโบนัสเพิ่มจากการถูกรางวัลที่หนึ่งไหมคะแล้วเราควรทำอย่างไรกับโบนัสที่ได้มาจึงจะคุ้มค่าที่ได้เจอคะ อ๋อนี่เป็นการไปขึ้นรางวัลยังไม่ได้ขึ้นรางวัลนะไม่ใช่โบนัสการมาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบครูบาอาจารย์นี้เหมือนกับได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่ยังไม่ได้ไปขึ้นรางวัลนะวิธีจะไปขึ้นรางวัลก็คือต้องไปทําบุญทำทางไปฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมตามที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนนะถึงจะได้รับรางวัลที่หนึ่งไม่มีโบนัส รางวัลที่หนึ่งนี่ก็เป็นโบนัสอยู่ในตัวแล้วตอนนี้เพียงแต่กําลังไปขึ้นรางวัลการได้ทําบุญใส่บาตรกับครูบาอาจารย์นี่ก็เป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก็ต้องไปฟังเทศฟังธรรมอยากครูบาอาจารย์ไม่ใช่ใส่บาศเสร็จก็กลับบ้านก็จะไม่ได้ยินได้ฟังธรรมก็จะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติธรรมกําลังฟังเทศฟังธรรมต่อฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ต้องเอาไปปฏิบัติ พอปฏิบัติแนละ้วทีนี้ก็จะได้รับรางวัลได้รับนักผลนิพพานเป็นรางวัลตามมาต่อไปจากการปฏิบัติคำ ถ, ถามต่อไปจากทางอินบ็อกซ์ครับจากุณชนันนพระอาจารย์คะเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินใจว่าเราพร้อมแล้วหรือยังที่จะละทางโลกเพื่อเดินสู่ทางธรรมอก็เมื่อถึงเวลามันก็จะรู้เองเหมือนเวลาที่เรา เวลาจะกินข้าวเราก็รู้ว่าเมื่อถึงเวลาจะกินเมื่อไหร่เมื่อถึงเวลาเราก็รู้เองเมื่อถึงเวลาที่เราจะไปบวชเราก็จะรู้เองแต่เวลาที่จะให้มันถึงนั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ทำให้มันเร็วขึ้นหรือช้าลงได้การที่จะทำให้เราพร้อมที่จะไปบวชเร็วขึ้นก็คือให้เราปฏิบัติให้มาก ถ้าเราได้ทำมากเท่าไหร่แล้วความพร้อมที่จะไปปฏิบัติมันก็จะปรากฏขึ้นมาเองถ้าเรายังไม่มีธรรมนี่เราก็ยังจะไม่พร้อมเราให้เหตุการณ์ต่างๆภายนอกพร้อมเช่นไม่มีภารลกับใครแล้วไม่มีอะไรกับใครแล้วแต่ถ้าไม่มีธรรมมันก็ไม่มีกำลังที่จะไปแต่ถ้ามันมีธรรมมันอยู่ภายในใจถึงแม้ว่าจะมีอะไรภายนอกมาเหนี่ยวลังมันก็สามารถที่จะตัดได้ เช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเมื่อท่านมีพลังมีธรรมพร้อมแล้วเนี่ยต่อให้มีพระราชฎรสมบัติมีพระมเหสีมีพระราชาวรรเนี่ยท่านก็ตัดได้เนะ่ั้นปัจจัยภายนอกไม่สําคัญเท่ากับปัจจัยภายในคือใจของเราเองมีธรรมหรืออย่างมีสติมีสมาธิมีปัญญาหรืออย่างถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วเราจะสามารถที่จะตัด พันธะต่างๆภายนอกได้อย่างง่ายดายที่ยังไปไม่ได้ก็เพราะเรายัางไม่มีกำลังพอที่จะตัดภาระภายนอกพันธะภายนอกก็เลยทำให้เรายังไปไม่ได้คาถามต่อไปจาก a c e b o o k ไลฟ์นะครับจากคุณอุบลรักคนในครอบครัวทำให้เราเดือดร้อนเราจะใช้ธรรมะข้อใดในการเตือนสติเขาค้าพระอาจารย์อ๋อความเดือดร้อนนี่ไม่ได้เกิดจากคนอื่นนะเกิดจากตัวเราเอง เกิดจากความอยากของเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นไปตามความอยากเราก็เลยเดือดร้อนฉะนั้นเราอย่าไปอย่าไปแก้คนอื่นนะมาแก้ที่ตัวเราอาจทำตัวเราให้มักน้อยสันโดษแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนกับการกระทําของคนอื่นคือยินดีตามมีตามเกิดไม่ว่าจะดีหรือจะเชื่อก็คิดว่าเป็นกรรมของเราแล้วกัน ใครเขาจะด่าเราใครเขาจะเบียดเบียนเราใครเขาจะกลั่นแกล้งเราถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาไม่มาเบียดเบียนไม่มากลั่นแกล้งเราจะไม่เดือดร้อนเราพร้อมที่จะรับกับสภาพของเราดัางั้นหัดทําใจดีกว่าหัดฝึกสติหัดนั่งสมาธิแล้วเราจะมีอุเบกขาที่จะทําให้เราเฉยๆกับเหตุการณ์ต่างๆที่บุคคลอื่นๆเขาทํากัน คำถา ม, ถามต่อไปจากคุณจิรารธครับเคยถามทิศที่บวชมาหนึ่งพัาว่าสินสองร้อี่ข้อที่พระถือมีอะไรบ้างเขาตอบมาไม่รู้เหมือนกันที่วัดไม่ได้สอนคำถามคือพระที่ไม่รู้หรือจำสินสองีข้อไม่ได้จะเป็นพระหรือเปล่าครับแล้วช่วงที่เขาบวชเรียนมาบินทบาต ท, ทุกเช้าตายไปต้องชดใช้ข้าวที่กินของญาติโยมหรือเปล่าครับ อ๋อไม่ต้องชดใช้หรอกก็ญาติโยมก็ไม่ได้ทวงคืนไม่ใช่นะเรื่องรู้ไม่รู้ก็บางทีก็อาจจะไม่รู้หมดส่วนใหญ่เขาจะรู้ศีลหลักศีลที่จำสําคัญสําคัญก็มีอยู่เพียงสีข้อใหญ่ๆก็คือศีลประราชิกก็คือการร่วมหลับนอนกับศีกาการฆ่ามนุษย์การลักทรัพย์การอวดอุตริต คุณวิเศษที่ไม่มีอยู่ในตัวตนนี่คือสิ่งที่เขาจะสอนกันตั้งแต่วันบวชเลยเพียงแต่คนบวชอาจจะไม่เข้าใจก็ได้เพราะบางทีเขาสอนเป็นภาษาบาลีฟังไม่รู้เรื่องแต่ตามหลักแล้วหลังจากบวชแล้วเขาจะสอนศีลที่สำคัญสำคัญทันทีเพื่อที่จะได้รู้ว่าถ้าทำแล้วมันจะไม่ได้เป็นพาเองต่อไปตนศีลข้ออื่นก็ถือว่าเป็น เป็นการความผิดที่ไม่หนักหนาสาหัสทำผิดก็ยังบ่งได้ยังแก้ได้อยู่ก็จะมีผ้าคอยดูคอยเฝ้าถ้าเห็นผ้ารูปไหนทำผิดศีลข้อใดก็จะมีการว่ากล่าวตักเตือนยันจะว่าไม่รู้เลยก็ไม่เชิงอาจจะไม่รู้หมดนะหรือว่าบวชแล้วไม่สนใจที่จะศึกษาก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงวัดบางวัดบวชแล้วก็ไม่สนใจที่สั่งสอนก็มี ก็อย่าไปบวชที่วัดนั้นก็แล้วกันถ้าอยากจะบวชก็ต้องไปศึกษาดูว่าวัดแต่ละวัดนี้เขามีสั่งสอนหรือเปล่ามีมีการปฏิบัติหรือเปล่าจะได้เป็นพระแท้ถ้าเป็นบวชแล้วไม่รู้วินยัยไม่รู้เสีลของตนก็เป็นเหมือนกับเป็นพระปลอมนี่เองจากคุณรัฐครับคําถามครับเหมือนกิเลสกับธรรมสู้กันส่วนใหญ่จะแพ้กิเลสครับ รักษาจิตให้สงบไม่นานครับก็ต้องสร้างธรรมให้มากขึ้นสร้างพลังธรรมให้มากขึ้นตอนนี้พวกพลังธรรมมีแค่สองสามคนพวกกิเลสมีสองสามพันก็สู้กันไม่ได้เราก็ต้องมาสร้างพวกพลังธรรมให้มีมากขึ้นเจรานสติให้มากขึ้นรักษาศีลให้บริสุทธิ์มากขึ้นรักษาศี 8, ลแปดรักษาศีลเพิ่มขึ้นไปแล้วต่อไปเราก็จะมีพวกที่เป็นพลังธรรมมากขึ้น แล้วต่อไปเราก็จะชนะพวกที่เป็นกิเลสคำ ถ, ถามต่อไปจกนางสาวพงศพรครับเราจะมีวิธีการหนีความจำเจซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้อย่างไรคะ่ะก็ใช้การนั่งสมาธินี่แหละยานใช้สติจะเญนพุโทโธพุโทโธไปแล้วนั่งหลับตาพอใจสงบแล้วความจำเจมันก็จะหายไป ความจำเจมันเกิดจากความอยากที่จะพบกับสิ่งแปล ก, ปล ก, ปลกใหม่ใหม่มันก็เลยทําให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เราเห็นซ้ําำรากก็เลยอยากจะหนีมันอยากจะไปหาของแปลกแ ป, ก, แปกใหม่ๆก็ไปหาสมาธิสิถ้าได้สมาธิแล้วจะได้ของแปลกของใหม่ทุกวันอสมาธินี้จะไม่มีวันจำเจจะไม่มีวันเบื่อหน่าย ยันมาฝึกนั่งสมาธิกันมาฝึกเจริญสติกันอย่าไปเที่ยวที่นูน่นที่นี่เลยทเที่ยวไปเท่าไหร่เดี๋ยวกลับมามันก็เจอของเก่าของจำเจ อ, อยู่นั่นแต่ถ้ามีสมาธิแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่เบื่อจะไม่จำเจคำถามจากคุณพงสะพรครับเราเราปล่อยวางทุกทางกายได้แล้วทางใจล่ะเจ้าขะพระอาจารย์เราควรทําอย่างไรอถ้าปล่อยทุกทางกายได้ก็แสดงว่าเรา ทางใจเราก็ไม่ทุกข์กัสิถ้าเราปล่อยทุกข์ทางกายไม่ได้ใจเราก็ทุกข์ถ้าเราปล่อยทุกข์ทางกายได้ก็แสดงว่าเราปล่อยทุกข์ทางใจได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับความทุกข์ทางร่างกายคำถามต่อไปจากคุณลินครับถ้าพ่อแม่ทะเลกกาะกันเราเป็นลูกควรทำอย่างไรคะเราก็ดูไปเลยแล้วก็เอามาสอนเราว่าเนี่ยมีตต่อไปถ้าเราไม่มีแฟนก็จะเป็นอย่างนี้ อยากจะมีแฟนหรือไม่อยากจะมีแฟนถ้าไม่อยากจะทะเลาะ ก, กันไม่อยากจะให้ลูกเราดูเราทะเลาะ ก, กับแฟนเราเราก็อย่าไปมีแฟนอยู่คนเดียวดีกว่าคาถามต่อไปจากคุณปาล์มครับการทำบุญกับพระอรหันต์และพระที่ยังไม่อรหันต์ได้บุญแตกต่างกันหรือเปล่าครับหรืออยู่ที่จิตใจเราว่าเราคิดว่าท่านคือสาวกของพระพุทธเจ้าแค่นี้เป็นพอครับ คือบุญที่ได้จากการเสียสละนี้เท่ากันไม่ว่าจะให้ใครมีเงินน้อยบาทแล้วเอาไปให้ผ้าอรหันเอาไปให้ขอทานก็ได้บุญเท่ากันได้ความสุขใจได้บุญที่เกิดจากการเสียสละเงินน้อยบาทแต่ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากขอทานกับผ้าอรหันนี้จะไม่เท่ากันถ้าเราได้คุยกับผ้าอรหันเราก็จะได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า ซึ่งอาจจะทำให้เราปฏิบัติและบรรลุธรรมต่อไปได้แต่ถ้าเราไปคุยกับขอทานขอทานก็จะบอกว่าขออีกร้อยนะเราก็จะไม่ได้ทำเราจะเสียเงินเพิ่มอีกร้อยคำถามต่อไปจากคุณพงศพร อ, อีกทีครับอุเบกขากับขันติความหมายของสองคำนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะ ก็ขันติก็จากการมีอุเบกขาไงถ้ามีอุเบกขามากก็จะมีขันติมากขันติก็คือความอดทนต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบกับเราถ้าเราไม่มีอุเบกขาใจเราจะวางใจเราไม่เฉยใจเราจะตอบโต้กับสิ่งที่มากระทบก็จะทําให้เร า, เามีความอดทนน้อยเพราะเราอยากจะทําอะไรกับสิ่งที่มันมากระทบกับเรา แต่ถ้าเรามีอุเบกขาเราก็จะเฉยๆกับสิ่งที่มากระทบเราก็จะมีขันติมากฉั้นจะเรียกว่าอุเบกขาเป็นต้นก็ได้ขันติเป็นปลายก็ได้คืออุเบกขาเป็นเหตุขันติเป็นผลถ้ามีอุเบกขามากก็จะมีขันติมากถ้ามีอุเบกขาน้อยก็จะมีขันติน้อยฉัย้นถ้าอยากจะมีขันติก็ฝึกสติให้มากๆเพื่อจะได้นั่งสมาธิให้สงบ พอสงบแล้วก็จะได้อุเบกขาพอมีอุเบกขาก็จะมีขันติอดทนอีกคาถามหนึ่งครับศินห้าข้อเราผิดสินข้อไหนที่บาปที่สุดคะก็ข้อหนึ่งไงเด้เงตามลำดับมาหนักที่สุดก็ข้อหนึ่งข้อที่สองก็รองลงมาข้อที่สามก็รองลงมาข้อที่สี่ก็รองลงมาข้อที่ห้านี้ก็เบาที่สุดคือข้อเดิมชุรา เดือดชราเนียังไม่ได้ไปทําใครให้เดือดร้อนเพียงจะทําทให้ตัวเองมึนเมาเราจะไม่สามารถหักข้ามจิตใจเวลาอยากจะทําผิดศีลก้อไหนก็จะยับยั้งไม่ได้แต่ที่หนักที่สุดก็ฆ่าคนอื่นลองลงมาก็ลักทรัพย์ของเขากลองลงมาก็ไปประพฤติผิดประเวณีลองลงมาก็ไปโกหกหลอกลวง